วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่13ตุลาคมพุทธศักราช2567เป็นวันหนึ่งที่จะมีการแสดงธรรมณสถานที่แห่งนี้เวลาประมาณบ่าย2โมงทุกวันเสาร์ วันอาทิตย์วันพระวันหยุดราชการและวันหยุดชดเชยเช่นวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันหยุดชดเชยก็จะมีการแสดงธรรมอีกวันหนึ่งเพราะว่าเป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทส่วนใหญ่จะมีเวลาว่างจากการทำงานทำการ เพราะเป็นวันหยุดทมการจะได้มีเวลาเข้าวัดเพื่อมาศึกษามาหาความรู้อันเลิศอันประเสริฐที่ทรงค้นพบโดยพระพุทธเจ้าเป็นความรู้ที่จะนำไปสู่การสิ้นสุดของความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวง เหตุที่พาให้เรามามีทุกข์กันก็คือการมาเกิดนี่เองการมาเกิดแล้วก็ย่อมมีความทุกข์ตามมาพอมื่อเกิดแล้วก็ต้องมีความแก่มีความเจ็บมีความตายมีการพัดพรากจากกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีใครต้องการแต่ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้ามีการมาเกิดอยู่เรื่อยๆก็ต้องเจออยู่เรื่อยๆแต่การเกิดนี้ก็ยังมีส่วนที่ดีอยู่ถ้าเรารู้จักใช้การเกิดให้เป็นคุณเป็นประโยชน์ การเกิดนี้จึงมีอยู่สองรูปแบบด้วยกันการเกิดที่เป็นคุณและการเกิดที่เป็นโทษการเกิดที่เป็นโทษก็คือการเกิดเพื่อมาสร้างภพสร้างชาติต่อไปอยู่เรื่อยๆด้วยการแสวงหาความสุขต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้คือการหาความสุขจากโลกธรรม ได้แก่ลาบยศสารเสริญและรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะชนิดต่างๆถ้ามาเกิดเพื่อมาหาความสุขจากสิ่งเหล่านี้การเกิดก็จะเป็นโทษเพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะไม่สามารถให้ความอิ่มหนำสำลานใจความอิ่มความพอให้กับใจได้ เป็นความสุขแบบชั่วคราวที่เมื่อได้มาแล้วไม่ช้าก็เร็วก็จะเสื่อมไปหมดไปหรือเมื่อถึงเวลาที่ร่างกายต้องตายจากนกนี้ไปความสุขต่างๆที่หามาได้ทางลาบยศสะลดเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสก็จะหมดไปไม่สามารถเอาติดไปกับใจได้ เมื่อใจต้องไปแบบไม่มีความสุขใจไปแบบหิวโหยใจไปด้วยความอยากที่จะหาความสุขต่อไปก็จะเป็นตัวที่ดึงให้ใจต้องกลับมาเกิดใหม่อยู่เรื่อยๆกลับมากี่รอบกลับมากี่ครั้งถ้ามาหาความสุขจากลาบยศสารเสริญจากรูปเสียงกิรลดพุทธะก็จะเป็นเหมือนกัน ือได้ความสุขในขณะที่มีชีวิตอยู่แต่พอร่างกายนี้ตายไปความสุขที่ได้จากราบยศสรรเสริญสุขก็ไม่สามารถเอาติดไปได้ก็จะทก็จะทาให้ใจต้องกลับมาหาความสุขจากโลกธรรมอยู่เรื่อ ย, เ, อยเมื่อต้องหาความสุขจากโลกธรรมก็ต้องมีการมาเกิดอยู่เรื่อย เมื่อมีการมาเกิดอยู่เรื่อยๆก็ย่อมมีความทุกข์อยู่เรื่อยๆเพราะเมื่อเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายไปในที่สุดอันนี้คือการเกิดแบบไม่ดี<ม>เกิดแบบเป็นโทษเกิดแล้วจะทำให้เราต้องกลับมาเกิดใหม่อยู่เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดพวกเรา กิดแบบนี้กันมาเป็นเวลาอันยาวนานเวียนว่ายตายเกิดกันมาไม่รู้กี่ล้านรอบแนละ้วถ้าอยากจะรู้ปริมาณหรือรอบของการเวียนว่ายตายเกิดว่ามีมากมีน้อยเพียงไรพระพุทธเจ้าก็ทรงตัดว่าให้เอาน้ําตาที่เราหลั่งในแต่ละภพแต่ละชาติในแต่ละครั้งที่เรามาเกิด พอทุกครั้งที่เรามาเกิดในโลกนี้เราจะต้องเจอกับความเศร้าโศกเสียใจความทุกข์ทรมานใจถึงกับต้องหลั่งน้ำตากันออกมาท่านบอกว่าให้เอาน้าตาที่เราหลั่งในแต่ละพบแต่ละชาตินี้มารวบรวมกันเอาไว้แล้วเราจะได้น้ำตามากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรนั่นก็คือจำนวนของพบชาติที่เรามาเกิดมาหลั่งน้ำตากัน ทุกครั้งที่มาเกิดจะต้องเจอกับเรื่องเศร้าโศกเสียใจกันต้องร้องห่มร้องไห้กันถ้าเราเอาน้ำตาที่เราร้องห่มร้องไห้มาของแต่ละภพแต่ละชาตินี้มารวมกันทั่นบอกว่าน้ำตาที่เราได้หลั่งมาแล้วนี้มีมากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรนั่นแหละก็คือปริมาณของภพชาติตำนวนของภพชาติที่เรากลับมาเกิดกันอยู่เรื่อย กลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันอยู่เรื่อยๆกลับมาร้องหม่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกันอยู่เรื่อยๆ เ, เพราะว่าการมาเกิดของเรานี้มาเกิดแบบเป็นโทษกับเรามาเกิดเพื่อมาหาความสุขจากโลกธรรมที่ที่มีอยู่ในโลกนี้สี่ประการด้วยกันมาหาลาบคือเงินทอง มาหายศก็คือมาหาตําแหน่งต่างๆมหาสรรเสริญมาหาการยกย่องเยินยอหาลังวีรางวัล ต, ต่างๆแล้วก็มาหาความสุขจากการเรสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพัชชนิดต่างๆการมาหาความสุขจากสิ่งเหล่านี้มันจะไม่ทําให้เกิดความอิ่มความพอแต่มันจะกลับเพิ่มความหิวความอยาก ไม้มีมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วพอที่พอร่างกายตายไปสิ่งที่หามาได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นราบยศสรรเสริญหรือรูปเสียงกลิ่นดต่างๆก็ต้องทิ้งไว้ในโลกนี้ไม่มีใครเอาไปได้เป็นมาเสิษธีระดับหมื่นล้านแสนล้านตายไปเงินแม้แต่บาทเดียวก็เอาติดตัวไปไม่ได้เอาไปกับใจไม่ได้ มียศมีตำแหน่งสูงขนาดไหนเป็นประธานาธิบดีเป็นมหาจักรพรรดิเป็นพระราชามหากษัตริย์เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นอะไรก็ตามพอร่างกายนี้ตายไปแล้วก็ไม่สามารถเอาสิ่งที่เอาตำแหน่งต่างๆติดไปกับใจได้สิ่งที่จะติดไปกับใจก็ตั้นหาความอยากความหิวโหยความต้องการหาความสุข จากลาบยศเสริญสุขต่อไปนั่นเองเมื่อยังมีความอยากที่จะหาความสุขจากโลกธรรมทั้งสี่นี้ก็จะต้องกลับมาเกิดใหม่อยู่เรื่อยๆนี่คือการเกิดที่เป็นโทษไม่ควรเกิดแบบนี้มีการเกิดแบบอีกแบบหนึ่งที่เป็นการเกิดที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อจิตใจ นั่นก็คือการเกิดเพื่อมาหยุดการเกิดนั่นเองเพราะการที่เราจะหยุดการเกิดได้เราก็ต้องมาเกิดเพราะถ้าเราเพราะถ้าเราไม่ได้มาเกิดเราก็ไม่ต้องมาหยุดการเกิดเช่นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์นี้หลังจากที่ท่านหยุดการเกิดได้แล้วท่านก็ไม่กลับมาเกิดอีกแต่ก่อนที่ท่านจะหยุดการเกิดได้ท่านก็ต้องกลับมาเกิดกัน นี่ก็ต้องกลับมาเกิดแต่เป้าหมายของ ก, การกลับมาเกิดนี้ต่างกับเป้าหมายของการเกิดแบบเป็นโทษการเกิดแบบเป็นโทษนี้คือการมาหาความสุขเกิดมาเพื่อมาหาความสุขจากลาบยศเสริเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพัชชนิดต่างๆแต่การเกิดเพื่อมาเพื่อเป็นคุณเป็นประโยชน์เพื่อมาหยุดการเกิดนี้ เป็นอีกแบบหนึง่ง<ม>เป็นแบบที่จะทำให้เกิดการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิด<ม>การเกิดแบบนี้เรียกว่าเป็นการเกิดที่เป็นคุณเป็นประโยชน์<ม>เกิดมาเกิดเพื่อหยุดการเกิดนี<ม>่อันนี้แหละและการที่จะมาเกิดเริ่มเพื่อมาหยุดการเกิดด้านนี้ก็ต้องมีปัจจัยสำคัญสำคัญอยู่ซะสามอย่างด้วยกัน ตัวอย่างที่หนึ่งก็ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยแล้วก็เมื่อเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ต้องมาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนามีพระพุทธเจ้าหรือมีพระธรรมคาสอนหรือมีพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นผู้คอยสั่งคอยสอนวิธีการที่จะหยุดการกลับมาเกิดกัน เพราะนอกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้ว<ม>จะไม่มีใครในโลกนี้ที่จะสามารถรู้วิธีของการหยุดการเกิดได้ ม, มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นที่จะสามารถสั่งสอนให้พวกเราทั้งหลายที่อยากจะหยุดการเกิด น, นี้สามารถหยุดการเกิดได้<ม><ม>นี่คือปัจจัย อันแรกก็คือเราต้องมาเกิดเป็นมนุษย์กันและเมื่อเกิดเป็นมนุษย์ก็ให้มาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนามีคําสั่งคําสอนมีวิธีการปฏิบัติเพื่อนําให้ไปสู่การหยุดการเวียนว่ายตายเกิดนะปัจจัยข้อที่สามที่เราต้องมีนอกจากการมาเกิดเป็นมนุษย์มาพบกับพระพุทธศาสนาแล้ว เราก็จะต้องมีเวลาให้กับการศึกษากับการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า<ม>แลก็คือต้องไปเป็นนักบวชกัน<ม>หรืออยู่แบบนักบวชกัน<ม>เราถึงจะมีเวลาพอให้กับการศึกษา<ม>ให้กับการปฏิบัติ<ม>เพื่อตัดการเวียนว่ายตายเกิดได้<ม>ถ้าเราศึกษาดูประวัติของ ผู้ที่ได้หยุดการเกิดแก่เจ็บตายได้นี้ส่วนใหญ่มักจะเป็นนักบวชกันพ mm hmm. ระอรหันต์ก็ดีพระพุทธเจ้าก็ดีนี้เป็นนักบวชกันทั้งนั้น mm hmm. พระพุทธเจ้าก็เป็นเจ้าชายพระราชามาหากษัตริย์ mm hmm. เป็นราชโอรสของพระราชามาหากษัตริย์แต่เมื่อพิจารณาเห็นโทษของการอยู่แบบพระราชามาหากษัตริย์ ว่าจะทำให้ต้องติดอยู่กับกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆองค์งจึงสละราชสมบัติเพื่อออกบวชเพื่อที่จะได้มีเวลาให้กับการปฏิบัติได้อย่างเต็มที่นี่ก็คือปัจจัยสามประการด้วยกันที่จำเป็นจะต้องมี ถ้าอยากจะทำให้การเกิดนี้เป็นการเกิดที่มีคุณมีประโยชน์และเป็นการเกิดครั้งสุดท้ายหรือไม่เช่นนั้นก็เป็นการเกิดที่จะตัดภพตัดชาติให้เหลือไม่เกินเจ็ดภพเจ็ดชาติเป็นอย่างมากนั่นก็คือได้บรรลุถึงการเป็นพระ อ, อริยสงสาวกขั้นที่หนึ่งคือขั้นพระโสดาบัน ถ้าได้บรรลุเป็นพระโสดามันนี้การจะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดนี้เหลือไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากถ้าได้ขั้นที่สองคือขั้นพระสะกิดาคามีการจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์นี้เหลือเพียงชาติเดียวหนึ่งครั้งเท่านั้นเองแล้วถ้าได้ขั้นที่สามคือขั้นพระอนาคามีจะไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปแต่ยังต้องไป เกิดเป็นพรหมอยู่ในสวรรค์ชั้นพรหมเป็นอยู่ในสวรรค์ชั้นพรหมที่เป็นรูปประพรมหรืออรูปประพรมเรียกว่ารูประพบหรืออรูปประพบแล้วถ้าได้ขั้นที่สคือขั้นพระอรหันต์ก็จะไม่กลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปนี่คือเป้าหมายของการที่เราจะยุติการเกิดแก่เจ็บตาย เราต้องมีเวลาให้กับการศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนมีเวลาให้กับการปฏิบัติอย่างเต็มที่ถือวาถือการปฏิบัติเป็นเป็นการปฏิบัติแบบอาชีพเหมือนเหมือนกับเวลาที่เราไปทำงานทำการเราทำงานทำการอย่างเต็มที่ตื่นแต่เช้าไปทำงานถึงที่ทำงานเราก็ทำงานกันทั้งวัน จนกว่าจะถึงเวลาบ่ายหรือเย็นเราถึงจะเลิกทำงานกันเราถึงได้มีมีรายได้มีเงินเดือนเข้ามาเลี้ยงชีพได้แต่ถ้าเราทำเป็นแบบมือสมัครเล่นวันไหนอยากจะไปทำก็ไปทำวันไหนไม่อยากไปทำก็ไม่ทำวันไหนอยากจะไปเที่ยวก็ไปเที่ยวถ้าเราทำงานแบบนี้เราก็จะไม่ค่อยได้เงินเดือนเท่าไหร่ หรือดีไม่ดีอาจจะไม่ได้ทำงานเสียด้วยซ้าไปเพราะบริษัทที่เขาจ้างงานเราเขาคงจะไม่สามารถที่จะอาศัยเราให้มาทำงานเพื่อหาอไรายได้ให้กับบริษัทได้ mm hmm. เขาก็จะให้เราออกจากงานไปได้ mm hmm. ฉะนั้นการปฏิบัติเพื่อหยุดการกลับมาเกิดนี้ mm hmm. ก็ต้องเป็นงานที่จะต้องทำแบบแบบมืออาชีพ ทำแบบเต็มที่มีเวลาของการปฏิบัตินี้พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พระที่มาบวชนี้ให้ปฏิบัติวันละยี่สิบชั่วโมงยกเว้นเวลาหลับสี่ชั่วโมงให้นอนวันละสี่ชั่วโมงคือประมาณสี่ทุ่มถึงตีสองนีให้เป็นเวลาที่รับพักผ่อนหลับนอนของร่างกายพอตีสองตื่นขึ้นมาก็ให้เริ่มปฏิบัติทันที ให้ปฏิบัติขั้นต้นก็คือให้เจริญสติให้ฝึกสติให้มีสติอยู่ตลอดเวลาไม่ให้ใจเผลอไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ผูกใจไว้กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งที่ที่ถูกกับจริตจะผูกไว้กับมรพุทธานุสติก็ได้ก็คือ ผ, ผูกใจไว้กับพระพุทธเจ้า เราเลกถึงพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆด้วยการบริเลิมพุทโธพุทโธไปแล้วพอสติมีกําลังมากพอก็ให้นั่งสมาธิต่อนั่งหลับตาพุทโธต่อไปแต่ให้นั่งเฉยๆการนั่งเฉยๆนี้แล้วมีสติกํากับใจเรียกว่าเป็นการนั่งสมาธิทําใจให้นิ่งให้สงบ แต่การที่ถ้าไม่เราไม่ได้นั่งเฉยๆเรายัางต้องทํานู่นทํานี่ยังต้องมีการเคลื่อนไหวอยู่เราก็จเจริญสติให้มีคำมริกรรมอยู่ในใจเพื่อคอยดึงใจไว้ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆให้อยู่กับงานที่เรากําลังทําอยู่อันนี้เป็นเรื่องของการจเจริญสติเพื่อให้เรามีกําลังที่จะหยุดความคิดต่างๆเวลาที่เรานั่งสมาธิใจจะได้ไม่ฟุ้งซ่าน ใจจะได้เข้าสู่ความสงบได้นี่เป็นงานเบื้องต้นของของการหยุดการกลับมาเกิดของผู้ปฏิบัติถ้าอยากจะปฏิบัติแบบให้ได้ได้มรรคได้ผลนี้ต้องปฏิบัติในรูปแบบในเต็มในรูปแบบเต็มเต็มเวลาคือตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับยกเว้นเวลาหลับเท่านั้นที่จะไม่มีการเจริญสติน นี่คือเราต้องมีเวลาให้กับการปฏิบัติปัจจัยที่สามนี้สาคัญทั้งสามอย่างนี้ก็สาคัญถ้าเรามาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าเราไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี่เราก็จะไม่สามารถมาปฏิบัติธรรมได้เช่นเรามาเกิดเป็นสุนัขหรือเป็นแมวเป็นสัตว์เลี้ยงเป็นนกเป็นอะไรที่มาอาศัยวัดอยู่นี่สัตว์เหล่านี้เขาไม่สามารถที่จะปฏิบัติธรรมได้ เพราะเขาไม่รู้เรื่องสุนัขเขาก็รู้แต่วิธีหาหากินเท่านั้นเองหากินหาอยู่แล้วก็รู้จากคอยเห่าเวลาที่มีใครคนแปลกหน้าเข้ามาเขาก็รู้เท่านี้ในชีวิตของเขาสัตว์นี้ไม่เข้าใจภาษาธรรมะไม่สามารถที่จะเรียนคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ถึงแม้ได้มาเกิดในโลกนี้ แต่ถ้าไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์ก็จะไม่สามารถรับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาได้ต้องมาเป็นมนุษย์ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะว่าพระพุทธเจ้านี้ก็เป็นมนุษย์พระอาหารหันต์ตถาคตทั้งหลายก็เป็นมนุษย์พูดภาษามนุษย์สื่อสารกันด้วยภาษาของมนุษย์เมื่อเรามาเกิดเป็นมนุษย์เราก็จะสามารถที่จะศึกษาคําสั่งคําสอน ของพระพุทธเจ้าของพระอนันตสาวกได้คำสั่งคำสอนที่จะสอนให้เราปฏิบัติเพื่อให้เราหยู่การกลับมาเกิดได้ mm hmm. ดังนั้นปัจจัยแรกที่สำคัญก็คือการการต้องมาเกิดเป็นมนุษย์ mm hmm. แล้วปัจจัยที่สองที่สำคัญก็คือต้องมาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนาจะมีพระพุทธเจ้าเองก็ได้ mm hmm. เช่นถ้าเราไปเกิดในสมัยพุทธกาล ในยุคที่พระพุทธเจ้าทรงตัดทะลุ mm. เราก็จะได้ฟังธรรมโดยตรงจากพระพุทธเจ้าเลย mm. แต่ถ้าเร า, าเกิดหลังหลังยุคพุทธกาลหลังจากที่พระพุทธเจ้าจากโลกนี้ไปแล้วเราก็ต้องอาศัยพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้มีการจดบันทึกเอาไว้ในพระคัมภีร์พระไตรปิฎกเป็นเป็นแห่งข้อมูลในการ ศึกษาวิธีการปฏิบัติเพื่อการหยุดการกลับมาเกิดหรือถ้าเรามีโอกาสมีโชคมีจังหวะที่ได้พบกับพระสุปฏิปันโนพระอริยบุคคลตั้งแต่ขั้นพระโสดาบันขึ้นไปเราก็จะได้ศึกษาวิธีการหยุดการกลับมาเกิดจากพระอริยสงสาวกได้ถ้าไม่มีพระอริยสงสาวกไม่มีพระธรรมคําำคำสอน ไม่มีพระพุทธเจ้าคือไม่มีพระพุทธศาสนาเราก็จะไม่รู้วิธีการปฏิบัติเพื่อหยุดการเกิดเราจะไม่รู้เสียด้วยซ้ําไปว่าเราเกิดมานี้เป็นคุณหรือเป็นโทษอย่างไรเราก็จะรู้เพียงแต่ว่าเราเกิดมาเพื่อหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ อยากจะไปดูไปฟังไปลิ่มรถ ด, ดมกลิ่นไปดื่มไปรับประทานอะไรต่างๆอยู่ตลอดเวลาเพราะเวลาที่เราได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสที่ถูกใจมันก็ทำให้เราเกิดความสุขทำให้เราติดในรูปเสียงกลิ่นรสรูปเสียงกลิ่นรสนี้เป็นยาเสพติดดีๆนี่เองพวกเราทุกคนนี้ติดนูด่นติดนี่กันไม่ติดเครื่องดืม่มชนิดนั้นชนิดนี้เช่นน้าชากาแฟ เครื่องดมชนิดนั้นชนิดนี้ก็ติดอาหารอย่างนั้นอย่างนี้รสชาติอย่างนั้นอย่างนี้รสเปรี้ยวหวานมันเค็มอะไรเป็นต้นเป็นสิ่งที่เราติดกันเราเสกกันเราขาดไม่ได้เวลาเราขาดแล้วเรารู้สึกว่าชีวิตชีวิตของเรามันไม่มีชีวิตชีวารู้สึกว่ามันทําให้เราเศร้าส้อยองหงอยเหงาเราจําเป็นที่จะต้องคอยหารูปเสียงกลิ่นรสมาเสกอยู่เรื่อยๆ ในการติดรูปเสียงก ล, ลิ่นรสเหล่านี้มันเป็นเหตุที่พาให้เรากลับมาเกิดใหม่เพราะเรามีกามาตัณหาความอยากจะเสบรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะอยู่เรื่อยๆพอร่างกายนี้ตายไปเราก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่มาเป็นเครื่องมือเพราะเหล่านี้เป็นใจผู้รู้ผู้คิดไม่สามารถเสบรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะได้โดยตรงเราต้องมีเครื่องมือเราต้องมีตาหูจมูกลิ้นกาย เราก็เลยต้องไปรอรับร่างกายที่พ่อแม่ของเราสร้างขึ้นมาให้กับเราพอพ่อแม่สร้างทรางร่างกายขึ้นมาเราก็ไปไปครอบครองไปยึดไปติดทันทีแล้วพอร่างกายออกมาจากท้องแม่พอจเจริญเติบโตเราก็ใช้ร่างกายนี้พาเราไปหาความสุขต่างๆหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ด้วยการใช้ตาหูจมูกนิ้นกายของร่างกายนี้เอง นี่คือถ้าเราไม่ได้มาเจอพระพุทธศาสนาเราก็จะรู้เพียงแค่นี้รู้ว่าเกิดมาเพื่อมาหาความสุขกันเพราะเราไม่อยากจะอยู่แบบหงุดหงิดลำคาญใจไม่อยากจะอยู่แบบเศร้าส้อยหงอยเหงาเราอยากจะอยู่แบบมีชีวิตชีวามีความสุขมีความลื่นเรเลยใจเราก็ต้องเสพรูปเสียงกลิ่นรสผดพระอยู่เรื่อยๆแต่ความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสนี้ มันไม่ได้ทำมันไม่ได้ทำให้ความอิ่มความพอเกิดขึ้นมาในใจมันไม่ได้ทำให้ความอยากเสบรูดเสียงกลิ่นลดต่างๆนี้หมดไปจากใจมันก็จะมีแต่เพิ่มให้มีความอยากเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆตอนนี้เราก็มีเสียงเข้ามาเสียงนี้มันก็มาทำให้เราเกิดความรู้สึกไม่เป็นปกติว่าควรจะทำอย่างไรดี ก็ไม่ต้องทำอะไรนั่งไปก่อนฝนมันอาจจะตกแค่แป๊บเดียวสองสามนาทีก็ได้หรื้อมันจะตกหนักก็ก็ตกไปมันเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องของธรรมชาติตอนนี้เราฟังเทศต้องทํานั่งสมาธิกันเราก็ทำของเราไปเรื่อยๆไม่ต้องไปสนใจอย่างมากก็แค่เปียกเดี๋ยวเสื้อผ้าเราก็ไปซักมันก็เปียกอยู่ดีเดี๋ยวตอนเย็นเราไปอาบน้าร่างกายก็เปียกอยู่ดี เรื่องของการเปียกน้ํานี่ไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่โตมโหฬารอะไรใส่อย่างใดแต่เรื่องของการที่ขาดจังหวะในการฟังเทศฟังธรรมนี้เป็นเรื่องสำคัญกว่าการฟังเทศฟังธรรมการมีสติอยู่การฟังเทศฟังธรรมนี้จะช่วยทำให้จิตใจเรานิ่งสงบทำให้จิตใจเรามีความสุขจะทำทำให้จิตใจเราสามารถวางเฉยได้ต่อไปถ้าเราได้ฝึกการ นั่งสมาธิบ่อยๆจิตของเรานี้จะมีความสามารถที่จะอยู่เฉยๆกับเหตุการณ์ต่างๆได้ไม่ว่าเหตุการณ์จะรุนแรงร้ายแรงขนาดไหนก็ตามมันจะไม่มาทำให้จิตใจเราหวั่นไหวได้ถ้าเราฝึกจิตฝึกให้นั่งสมาธิให้ตั้งมั่นอยู่ในความสงบอยู่ได้นานๆอยู่ได้เรื่อยๆต่อไปเวลามีเหตุการณ์ที่เข้ามากระทบทาง ร่างกายทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็จะรู้สึกเฉยๆได้ใจจะไม่หวาดวิตกกังวลหวาดกลัวตื่นเต้นตกใจหรือเป็นอะไรไปกับเหตุการณ์ต่างๆเพราะใจนี้สามารถแยกตัเองออกจากร่างกายได้รู้ว่าสิ่งต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นนี้มันเกิดขึ้นที่ร่างกายแต่ไม่เข้ามาถึงใจไม่สามารถเข้ามาทำลาย ทำร้ายจิตใจได้เหตุการณ์ต่างๆทำร้ายได้ก็เพียงแต่ร่างกายเท่านั้นเองซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายที่จะต้องมีการสิ้นสุดลงเพราะธรรมชาติของร่างกายนี้เป็นของชั่วคราวไม่ใช่เป็นของยั่งยืนเป็นของถาวรที่จะอยู่ไปตลอดวันหนึ่งถึงแม้จะไม่มีเหตุการณ์อนใดเกิดขึ้นก็นตามร่างกายมันก็จะต้องเข้าสู่ความ ความตายของมันเองอยู่ดีไม่มีไม่มีภัยต่างๆมากระทบกับร่างกายแต่มันก็มีภัยในร่างกายคือความเจ็บไข้ได้ปวดที่จะต้องมาทำให้ร่างกายนั้นในที่สุดต้องถึงแก่ความตายไปอถึงแม้ว่าร่างกายจะตายแต่ใจที่มาครอบครองร่างกายนี้ก็ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจกับร่างกายนี้เป็นคนละคนกัน ถ้าเราฝึกสมาธิแล้วเราจะสามารถแยกใจออกจากร่างกายได้แล้วเราจะเห็นตามที่พระเจ้าทรงรู้ทรงเห็นว่าร่างกายกับใจนี้เป็นคนละคนกันใจเป็นนายกายเป็นบ่าวใจเป็นของยั่งยืนถาวรเป็นของที่ไม่มีวันตายส่วนร่างกายนี้เป็นของเชั่วข่าวมีเกิดแล้วก็จะต้องมีดับไปไม่ช้าก็เร็ว ไม่มีใครสามารถมายับยั้งมาห้ามมันไม่ให้ดับได้มันเป็นธรรมชาติของร่างกายที่เราได้มาสัมผัสมาครอบครองหลายหลายแสนร่างกายแล้ว <S <S เราเคยมามีร่างกายแบบนี้มาไม่ใช่ครั้งนี้เป็นครั้งเดียวครั้งแรกแต่เป็นครั้งที่ไม่รู้กี่ล้านแล้วของการที่เรามาครอบครองร่างกายเพียงแต่เราไม่รู้กัน <S <S แล้วเราก็ ใ่หลงคิดว่าเราเป็นร่างกายเท่านั้นเองแต่พอเรามาฝึกสติมานั่งสมาธิกันทาใจให้นิ่งสงบเวลามีอะไรมากระทบกับร่างกายนี้ใจเราจะไม่เดือดร้อนใจเราจะเฉยเฉยได้เหมือนกับไม่มีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นก็เพราะว่าใจไม่ได้โดนกระทบกับสิ่งต่างๆผู้ที่ถูกกระทบจากสิ่งต่างๆก็คือร่างกายเท่านั้นเอง อันนี้ก็จะเป็นคุณเป็นประโยชน์ของการที่เรามาฝึกสมาธิมานั่งฟังธรรม mm hmm. การฟังธรรมนี้เราก็จะได้ทั้งปัญญาและได้สมาธิไปด้วยฟังไปเราก็คิดตามไปได้ความรู้ mm hmm. เกี่ยวกับชีวิตของเราว่าเราเป็นใครกันแน่ mm hmm. ว่าอะไรเป็นเราอะไรไม่ได้เป็นเรา mm hmm. ว่าอะไรเป็นสิ่งที่จะอยู่ต่อไปอะไรเป็นสิ่งที่จะต้องมีการสิ้นสุดลง และวิธีที่จะทำให้เวลาเกิดเหตุการณ์ต่างๆที่มากระทบกับร่างกานี้ไม่ให้เข้ามาถึงใจไม่ให้มาสร้างความสะเทือนใจได้ก็คือการฝึกสติการนั่งสมาธิทำใจให้นิ่งให้สงบนี่เอนี่ก็คือสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้ถ้าเรามาเกิดในยุคในสมัยที่มีพระพุทธพธรรมพระสงฆ์คือมีพระพุทธศาสนา มีครูมีอาจารย์ที่สามารถสั่งสอนให้เรารู้วิธีของการยุติการกลับมาเวียนว่ายตายเกิดได้อันนี้สำคัญเพราะเราเองนี้จะไม่มีความสามารถที่จะรู้ได้เหมือนกับความรู้ทางโลกนี้เราก็ต้องไปโรงเรียนกันถึงจะเรียนรู้ได้ถ้าเราไม่ไปโรงเรียนเราไม่ไปเรียนหนังสือเราก็จะไม่มีความรู้ คนที่เรียนหนังสือคนที่จบปริญญากับคนที่ไม่ได้เรียนหนังสือนี้มีความรู้ต่างกันคนที่จบปริญญานี้เขามีความรู้มากกว่าเขาสามารถเอาความรู้ที่เขาได้เรียนรู้นี้เอาไปใช้ทำคุณทำประโยชน์ให้กับตัวเขาได้แต่คนที่ไม่ได้เรียนก็จะไม่มีความรู้พอยกเว้นคนที่ฉลาดที่สามารถเรียนรู้จากประสบะการณ์ของชีวิตได้ คนพวกนี้ก็ไม่ต้องไปโรงเรียนก็ได้บางคนแต่มีส่วนน้อยใช้การศึกษากับประสบการณ์ของชีวิตว่าวิธีที่จะดำเนินชีวิตให้จเจริญก้าวหน้าให้ร่ำให้รวยในราบยศเสริญสุขนี้ทำอย่างไรเขาก็สามารถศึกษาได้ด้วยตนเองโดยที่ไม่ต้องไปโรงเรียนแต่คนส่วนใหญ่นี้ถ้าไม่ไปโรงเรียนก็จะไม่รู้วิธีที่จะ หากินหาอยู่หาทรัพยาอะไรต่างๆต้องอาศัยการไปเรียนตามสถานศึกษาต่างๆถึงจะได้ความรู้ขึ้นมาเพื่อจะได้นําเอาไปประกอบอาชีพเพื่อที่จะได้อยู่อย่างสุขอย่างสบายกว่าคนที่ไม่มีความรู้กว่าคนที่ไม่ได้เรียนไม่ได้ศึกษาดันั้นการศึกษาทางธรรมก็เป็นแบบเดียวกันถ้าเราไม่มีพระพุทธศาสนามาสั่งสอนให้เรา รู้จักวิธีหยุดการเวียนว่ายตายเกิดเราก็จะไม่มีวันที่จะหยุดการเกิดแก่เจ็บตายได้เราก็จะไปก่อพพก่อชาติอยู่เรื่อยๆเพราะเราทำไปตามความรู้สึกทำไปตามความอยากของเราความอยากของเราคือความอยากหาความสุขจา ก, กรูปเสียงกลิ่นรลิตภัอยากหาความสุขจาก การมีลาบยศสรรเสริญนี้เท่านั้นเราก็จะมุ่งไปอยู่กับการหาสิ่งเหล่านี้แล้วเราก็จะต้องทิ้งสิ่งเหล่านี้ไปเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปเราก็ต้องกลับมาหามันใหม่มาหาใหม่ในอีกรอบหนึ่งหามามากน้อยเพียงไรใน แ, แต่ละรอบก็ต้องทิ้งมันไปแล้วก็กลับมาเกิดใหม่กลับมาหาใหม่ น, นี่เป็นสิ่งที่ มันจะเกิดขึ้นกับเราถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาถ้าเราได้มาเจอกับพระพุทธศาสนานี่เราก็จะได้เรียนรู้ว่าการที่เรากลับมาเกิดอยู่เรื่อ ย, อยกลับมาทุกข์อยู่เรื่อ ย, อยก็เพราะว่าเรามีตัณหาความอยากนั่นเองความอยากที่จะหาความสุขจากลาบยศสัลเสิญสุขเรียกว่ากามาตัาหา การแปลว่าการคุณห้าได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสพุทธะตัณหาแปลว่าความอยากอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสพุทธะเราก็ต้องมีร่างกายกันแล้วนอกจากการอยากได้ลาบการอยากได้ความสุขจากรูปเสียงกลิ่นแล้วเราก็ยังอยากได้ลาบยศสรรเสริญอยากร่ำอยากรวยอยากมีตําแหน่งมียศต่างๆอยากมี ผู้ที่ยกย่องสรรเสริญยืนยอเพราะการมีสิ่งอนนี้มันจะทำให้เราสามารถหาลูกเสียงกินรสผดผลาญได้ง่ายถ้าเรามีเงินมีทองเราอยากจะไปเที่ยวที่ไหนเราก็ไปได้เราอยากจะไปกินไปดื่มอะไรเราก็กินได้ดื่มได้เราอยากจะไปดูไปฟังอะไรเราก็สามารถไปได้เพราะเรามีเงินทองกันเราทุกคนจึงอยากจะมีเงินทองกัน แล้วก็อยากจะมีอํานาจอยากจะมียศมีตำแหน่งเพราะการมียศมีตำแหน่งมีอํานาจนี้จะทำให้การหาเงินหาทองนี่มันสะดวกง่ายกว่าคนที่ไม่มีอํานาจคนที่มีอํานาจนี้สามารถสั่งการให้บริษัทบริวารลูกน้องไปหาสิ่งต่างๆที่ตนเองต้องการได้มันจึงทำให้เรามีความอยากมีอยากเป็นกันนอกจากการมีความอยาก หาความสุขจากลาบจากรูปเสียงกลิ่นแล้วแล้วเราก็มีความอยากมีอยากเป็นอยากอยากเป็นใหญ่อยากเป็นโตยอยากร่ำอยากรวยอยากได้การยกย่องสรรเสริญเยินยออยากได้รางวรางวัลได้รางโลกเกียรติคุณได้รางวัลตุกตาทองได้รางวัลอะไรต่างๆอันนี้เพราะมันทำให้เรามีความสุขใจมีความดีใจนั่นเอง นี่เรียกว่าความอยากมีอยากเป็นความอยากเป็นเป็นความอยากชนิดที่สองต่อจากความอยากเสดรูปเสียงกลิ่นรสการมตันหาแล้วก็ภาวะตันหาภาวะตันหาก็คือความอยากมีอยากเป็นอยากได้ราบยศสรรเสริญแล้วก็ข้อข้อที่สาความอยากไม่ความอยากไม่เป็นไม่ ไม่มีไม่เป็นก็คือความอยากไม่แก่ความอยากไม่เจ็บความอยากไม่ตายเป็นตน้นเพราะถ้ามีความแก่ความเจ็บความตายแล้วมันจะมาขัดขวางการหาความสุขของเราเลย <promise> มันจะมาขัดขวางการหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเราจึงมีความอยากอยู่สามประเภทนี้แล้วความอยากสามประเภทนี้แหละเป็นตัวที่พาให้เรากลับมาเกิดกันอยู่เรื่อยๆ ถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเกิดเราก็ต้องตัดความอยากเหล่านี้ให้ได้แต่การจะตัดความอยากเหล่านี้เพียงแต่รู้ว่ามันเป็นความอยากที่เราต้องตัดนี้เราก็ยังทำไม่ได้เช่นถ้าเรายังติดอะไรอยู่อยู่ดีๆบอกให้เลิกไม่ให้ติดนี้มันก็ไม่ใช่เป็นของง่ายคนบางคนติดบุหรี่เนี่ยบอกให้เลิกสูบเพราะการสูบบุหรี่มันเป็นโทษต่อร่างกายเป็นโทษต่อจิตใจ แต่มันก็หยุดไม่ได้ทันทีทันใดเพราะว่าไม่มีกําลังที่จะหยุดคนที่ติดสุรายาเมาก็แบบเดียวกันคนที่ติดเที่ยวก็เหมือนกันคนที่ติดการพนันก็เหมือนกันไม่ว่าจะติดอะไรก็ตามพอรู้ว่ามันมันเกิดจากความอยากอยากเล่นพนันอยากดื่มสุราอยากสูบบุหรี่อยากเที่ยวให้เลิอกอยากทันทีทันใดมันเลิกไม่ได้ เพราะว่าความอยากนี้มันมีอิทธิพลต่อจิตใจ ข, ของเราอยู่ดีๆจะสั่งมว่าต่อไปนี้จะไม่ไม่อยากแล้วนี่มันพูดได้แต่มันทำยากไม่เชื่อลองไปหยุดความอยากต่างๆที่เรากำลังมีอยู่ในขณะนี้ดูดูที่ว่าเราจะทำได้ไหัหยทำไม่ได้หรอกเพียงแต่นึกเพียงแต่คิดเท่านั้นว่าความอยากเหล่านี้ไม่ดีไม่ควรจะทำความอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสนี้ไม่ดีไม่ควรทา ไม่ควรไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆไม่ควรไปท่องเที่ยวตามแหล่งบันเทิงต่างๆไม่ควรไปท่องเที่ยวตามศูนย์การค้าต่างๆสิ่งเหล่านี้มันเป็นของที่พูดง่ายแต่ทำยากถ้าทำได้ป่บนนี้เราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดกันทุกคนเป็นพระอรหันต์กันหมดแล้วเพราะเป้าหมายของการเป็นพระอรหันต์เป้าหมายของการไม่กลับมาเกิดแก่เจ็บตายก็คือการหยุดความอยากทั้งสามนี้เท่านั้นเอง ถ้าเราเลิกได้ไม่ทำตามความอยากทั้งสารนี้ได้ไปบวชได้ไปบวชเป็นชีเป็นพระแล้วก็ปฏิบัติอยู่กับความสงบได้เราก็จะเลิกมันได้แต่ถ้าเรายังอยู่ในสังคมอยู่นอยู่ในโลกที่เรามีการกระทำสิ่งต่างๆตามความอยากอยู่นี้มันก็จะย า, ยากมันไม่ได้มันไม่ได้จะทำได้ ท, ทันทีทันใดหลังจากที่เราได้ยินได้ฟังทำแล้ว ยกเว้นคนบางคนที่อาจจะมีพลังจิตที่แ ก, ก่ก็ที่สามารถหยุดความอยากต่างๆได้เพียงแต่ไม่หยุดมันเพราะไม่รู้ว่ามันเป็นโทษไม่รู้ว่ามันเป็นเหตุที่พาให้กลับมาเกิดแก่เจ็บตายแต่พอได้ยินได้ฟังแล้วรู้ว่าเหตุที่พาให้กลับมาเกิดแก่เจ็บตายก็คือความอยากต่าง ๆ, ๆ, ๆเขาก็หยุดได้ในสมัยพุทธกาลนี้บางคนนี้ไม่เคยบวชไม่เคยฟังธรรมมาก่อน แต่พอฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าพระพเจ้าสอนเราว่าให้เลิกความอยากทั้งหมดเสียไม่ให้ทําตามความอยากเขาก็สามารถเลิกได้ทําตามที่พระเจ้าสอนได้เขาก็เป็นบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ขึ้นมาได้หลังจากที่ฟังเทศฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าเลยอันนี้มีเป็นส่วนน้อยคนที่ได้สะสมพลังจิตมาในอดีตชาตินี้มีน้อยคืออาจจะเคยเป็นนักบวชในใน ในศาสนาต่างๆที่สอนให้ฝึกสติสอนให้นั่งสมาธิสอนให้รักษาศีลถ้าได้ได้ทำอย่างนี้มาก่อนในภพก่อนๆในชาติก่อนๆนี้พอมาถึงภพนี้พอได้พบกับคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้ละความอยากทั้งหลายให้หมดไปจากใจเขาก็จะมีกำลังละได้ถ้าเรายังไม่มีกำลังที่จะละความอยากต่างๆเหล่านี้ได้ เราก็ต้องมาสร้างกำลังให้กับใจเครื่องมือที่จะสร้างกำลังให้กับใจนี้พระเจ้าบอกคือมักทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทางสู่การละความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจก็มีอยู่สามขั้นด้วยกันก็คือกาขั้นการทำบุญทาทานขั้นที่หนึ่งให้เราทำบุญทำทานขั้นที่สองให้เรารักษาศีล แล้วขั้นที่สามให้เราปฏิบัติทำให้เจริญจิตตภาวนาเจริญสตินั่งสมาธิให้เกิดความสงบหลังจากได้ความสงบชำนาญในการได้เข้าออกในความสงบแล้วก็มาเจริญปัญญาเพื่อให้เห็นว่าการเกิดแก่เจ็บตายนี้มันเกิดจากความอยากเมื่อรู้ว่าถ้าไม่ต้องการจะกลับมาเกิดก็ต้องหยุดหยุดความอยาก แล้วถ้ามีสติมีสมาธิก็สามารถที่จะสั่งให้ใจหยุดความอยากได้เมื่อหยุดความอยากได้หมดใจก็จะสะอาดบริสุทธิ์เป็นพระอาหารหันต์ขึ้นมาเมือ่อไม่มีกิเลสตัณหาความอยากต่างๆอยู่ในใจแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะพาให้กลับมาเวียนว่ายตายเกิดได้ต่อไปอนี่คือสิ่งที่เราจะต้องกระทากัน คือเราต้องละความอยากให้ได้ความอยากทั้งสามประการการมาทันหาความอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดฉาบความอยากมีอยากเป็นอยากร่ําอยากรวยอยากเป็นใหญ่อยากเป็นโตอยากได้ลาบยศฉรเสรินและการอยากที่จะไม่ให้ลาบยศฉลเสริญที่เราได้มานี้เสื่อมไปหมดไปแล้วก็ไม่อยากให้ร่างกายที่เรามีอยู่นี้แก่เจ็บตาย เพราะถ้าร่างกายมันแก่มันเจ็บมันตายมันก็จะไม่สามารถรับใช้เราได้ไม่สามารถพาเราไปเสพความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้นั่นเองนี่คือสิ่งที่เราจะต้องละให้ได้ถ้าเราอยากที่จะไม่กลับมาเกิดอีกและสิ่งที่จะทำให้เราละได้ก็คือการปฏิบัติทานศีลภาวนาทำบุญทาทานรักษาศีลแล้วก็ปฏิบัติธรรมท่านต้นทาทาน เหตุที่เราต้องการทําทานเพื่ออะไรเพื่อสกัดกั้นการใช้เงินทองไปตอบสนองความอยากเที่เราอยากจะไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆนี้มันเป็นของที่ไม่จําเป็นที่ยังที่จะต้องมีจะต้องซื้อเราก็ต้องตัดมันเอาเงินที่เราจะไปซื้อของฟุ่มเฟือย น, นี้ไปทําบุญทําทานแทน <Yeah. S 1> เพราะว่าถ้าเรายังมีเงินเก็บไว้อยู่มันก็จะอดจะสู้มันก็อยากที่จะใช้เงินก้อนนี้ให้ได้ เพราะเราเคยติดกับการใช้เงินเพื่อซื้อความสุขต่างๆแต่ถ้าเราแต่ถ้าเรารู้ว่ามันเป็นความสุขที่จะไม่มีความอิ่มความพอมันจะเป็นความสุขที่จะทำให้เราเกิดความอยากใหม่ๆขึ้นมาอยู่เรื่อยๆไปเที่ยววันนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็อยากจะไปเที่ยวอีกไปซื้อของชิ้นนั้นชิ้นนี้แล้วเดี๋ยววันหน้านก็อยากจะไปซื้ออีกมันเพร า, ามันเห็นอะไรมันก็เกิดความอยากขึ้นมาไปหมด <c oughs> เราต้องสกัดเครื่องมือที่จะใช้ ในการตอบสนองความอยากก็คือเงินทองเอาเงินทองนี้ไปทําบุญทําทานแทนแล้วเราก็จะได้ความสุขที่ดีกว่าจากการทําบุญทําทานด้วยความสุขที่ได้จากการทำบุญทําทานนี้มันทําให้ใจเราอิ่มทําให้เรามีความรู้สึกอิ่มเอิบใจสุขใจสบายใจแล้วก็ทําให้เราไม่หิวไม่อยากกับการที่เราจะไปซื้อของฟุ่มเฟือยหรือไปไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆด้วยการใช้เงินทอง ทุกครั้งที่เราอยากจะใช้เงินทองเพื่อไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ให้เปลี่ยนมาเป็นการทําบุญทําทานแทนเราจะทําบุญทําทานกับใครก็ได้เราชอบใครทำแล้วมีความสุขเราก็ให้กับคนนั้นบุคคล น, นั้นหรือองค์กรนั้นบางคนชอบทํากับโรงเรียนก็ไปทํากับโรงเรียนบางคนชอบทํากับโรงพยาบาลบางคนชอบทํากับวัดทําได้ทั้งนั้นทําบุญทําทาน ทำแล้วจะทำให้เกิดความสุขใจอิ่มใจแล้วจะลดละตัดความอยากที่จะไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสได้เป็นความสุขทดแทนที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆถ้าอย่าถ้าเราไม่มีเงินที่จะไปเที่ยวไปซื้อของฟุ่มเฟือยแล้วเราก็ไม่ต้องทำบุญทำทานการทำบุญทำทานนี้เป็นการสกัดกั้นการใช้เงินทองไปในทางที่ผิด การใช้เงินทองไปตามความอยากหาความสุขตามความอยากด้วยการใช้เงินทองนี้เป็นวิธีที่ผิดเพราะมันเป็นเหมือนกับเป็นการไปซื้อยาเสพติดสิ่งไหนที่เราชอบเราติดนี่เราก็อยากจะไปทําอยู่เรื่อยๆคนที่ชอบเที่ยวก็จะไปเที่ยวอยู่เรื่อยๆยิ่งเที่ยวยิ่งอยากไปเที่ยวใหญ่ไม่ใช่ว่าเที่ยวแล้วความอยากเที่ยวมันจะหายไปแล้วมันก็อาจจะมีปัญหาตามมาต่อไปได้ด้วย พราะถ้าเราติดเที่ยวติดใช้เงินใช้ทองเราก็ต้องไปนิ่นรนกับการหาเงินหาทองอีกหาเงินหาทองเพื่อที่จะได้ม า, ม า, ม, ามาซื้อของฟื่มเฟือยเพื่อเอาหรือเอาเงินมาเพื่อไปเที่ยวต่อมันก็จะทําให้เราต้องวุ่นวายกับการไปหาเงินหาทองอยู่เรื่อยๆมันก็จะทําให้เราไม่สามารถที่จะเข้าวัดปฏิบัติธรรมได้เพราะว่าเราต้องคอยไปหาเงินหาทองมาใช้อยู่เรื่อยๆนั่แต่ถ้าเรา ประกาศก้นการใช้เงินเพื่อทําตามความอยากต่างๆด้วยการเอาไปทํทาบุญทําทานต่อไปความอยากจะใช้เงินไปเที่ยวใช้เงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยของไม่จําเป็นต่างๆมันก็จะหายไปแล้วเราก็จะไม่ต้องไปดินน้นรนหาเงินหาทองมากเพราะเราไม่ต้องใช้เงินซื้อกับซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆแล้วถ้าเราหาเงินก็หาเงินเพิ่มมาเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของเราก็พอหากินหาอยู่ ก็ไม่จำเป็นจะต้องทำงานมากเท่ากับการที่เราหาเงินมาเพื่อไปซื้อความสุขจากการไปเที่ยวความสุขจากการไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆของหรูหราต่างๆอันนี้มันก็จะทำให้เราไม่ต้องทำงานมากมันก็จะทำให้เรามีเวลาที่เราสามารถเข้าวัดปฏิบัติธรรมได้ถ้าเราถ้าเรายังติดอยู่กับการใช้เงินหาเงินอยู่มันก็จะไม่มีเวลาเข้าวัดกัน ไปปฏิบัติธรรมกันแต่ถ้าเราสามารถตัดความอยากใช้เงินเพื่อซื้อความสุขต่างๆได้เอาเงินนี้ไปมาทำบุญแทนทำบุญแล้วจะทำให้ใจอิ่มทำใจให้สุขทำใจให้ไม่หิวกับความอยากต่างๆแล้วเราก็จะได้มีเวลาเข้าวัดเพื่อจะได้ปฏิบัติธรรมข้อที่สองข้อที่สารต่อไปก็คือไปรักษาศีลกัน ศีล น, นี้ก็ต้องเป็นศีลแบบศีลของนักบวชถ้าไปเข้าวัดปฏิบัติธรรมก็ต้องถือศีลของนักบวชก็คือถือถือศีลแปดแต่ถ้าเราเลือกเที่ยวแล้วเรากันไปอยู่วัดก็จะไม่ให้เป็นของยากเย็นอะไรถ้าเราเลือกเที่ยวเลือกดูภาพ ย, ายนตร์ดูหนังดูละครฟังเพลงอะไรต่างๆการเข้าวัดเพื่อปฏิบัติธรรมมันก็ไม่ยากถือศีลแปดมันก็ไม่ยากเพราะศีลแปดก็เป็นข้อห้ามไม่ให้เราไปหาความสุขจากการเสกรูปเสียงกดลิ่นรสต่างๆนี้นั่นเอง อันนี้นี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการที่เราทําบุญทําทานการทําบุญทําทานจะตัดความอยากของเราในการเสพรูปเสียงกลิ่นรสให้น้อยลงไปแล้วมันจะทําให้เราสามารถมารักษาสินสินแปดสินของนักบวชได้การที่จะต้องถือสินแปดเพราะว่าถ้าเราไม่ถือสินแปถ้าใจเรายังมีความอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆอยู่เราก็จะยังไปหาความสุขกับสิ่งต่างๆได้อยู่ มันก็จะทำให้เราไม่มีเวลาปฏิบัตินั่นเองดน้เวลาที่เราเข้าวัดหรือเวลาที่เราตั้งใจที่จะปฏิบัติธรรมเราต้องหาเวลามาให้กับการปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่ด้วยการละเวทกิจกรรมที่เราเคยทำดืวอการหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายศีลแปดนี้ก็ยังมีการห้ามไม่ให้เราหาความสุขจากการร่วมเพศกันถึงแม้จะเป็นสามีภรรยากาันเราก็ต้องพักไว้ก่อน เพื่อที่เราจะได้มามามาปฏิบัติธรรมมาทำจิตใจให้สงบมาสัมผัสกับความสุขที่เ mm hmm. หนือกว่าความสุขที่ได้รับจากการร่วมเพศกัน mm hmm. แล้วก็เราจะต้อง mm hmm. ละการกินอาหารตามความอยากกินอาหารตามเท่าที่จำเป็นของร่างกาย mm hmm. ก็กินไม่เกินเที่ยงวันก็พอกินเวลามือ้อสองมื้อก็พอ จะได้มีเวลาว่างจากการที่จะต้องมาคอยกังวลกับเรื่องการหากินอยู่เรื่อยๆถ้าเราไม่ถือศีลข้อหนี้เราก็มักจะอยากจะกินไปเรื่อยๆพอรู้สึกหิวขึ้นมาพอรู้สึกอยากขึ้นมาก็จะกินทันทีกินวลาหลายๆรอบกินแล้วมันก็จะทําให้เราไม่มีเวลาให้กับการปฏิบัติเพราะกินแล้วมันจะทําให้เราขี้เกียจทําให้เราง่วงนอนอยากจะนอน เวลาจะนั่งสมาธิก็มักจะสับประหก น, นั่งแล้วก็หลับเรามไม่สามารถที่จะนั่งสมาธิเพื่อเข้าสู่ความสงบได้ดังน้นเราก็ต้องพยายามกินให้น้อยๆกินเพื่ออยู่อย่าอยู่เพื่อกินแล้วเราก็ต้องถือศีลข้อเจ็ดก็คือเราต้องละเว้นการหาความสุขจากมหัศรศบันเทิงต่างๆการน้องนําทําเพลงการเสริมสวยความงามของร่างกายแต่งเนื้อแต่งตัวด้วยเสื้อผ้ า, าพรที่วิจิตรทิศดานร แต่ความงามด้วยเครื่องสำอางน้ํามันน้ําหอมต่างๆเป็นต้นการกระทำเหล่านี้มันเป็นความสุขแบบชั่วคราวเป็นความสุขเดียวๆเป็นความสุขที่ไม่มีน้ําหนักเหมือนกับความสุขที่เราจะได้จากการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิกันเราต้องการยุติกิจกรรมเหล่านี้เพื่อเราจะได้เอาเวลามาให้กับการปฏิบัติธรรมแล้วสีลข้อที่แปดก็คือไม่ให้เรานอนบนเตียงที่มีฟูกหนาะๆ นอนเตียงสําราบที่สุขที่สบายเพาะจะทำให้เรานอนมากเกินไปตามธรรมดาร่างกายนี้ถ้าได้พักผ่อนคืนละสีห้าชั่วโมงก็จะพอเพียงต่อความต้องการของร่างกายแต่ถ้าเรานอนบนเตียงที่สุขสบายนี้เวลาที่ร่างกายได้พักผ่อนหลับนอนพอแล้วพอติมนขึ้นมาใจจะไม่อยากจะลุกถ้ามันอยู่นอนอยู่กับเตียงที่สุทสขที่สบายก็จะขอนอนต่อไปอีกสามสี่ชั่วโมงด้วยกัน แต่ถ้าเรานอนบนเตียงที่ไม่สบายนอนบนเตียงที่เป็นพื้นแข็งๆปู ด, ด้วยผ้าหรือปูด้วยเสือ่อหรือนอนกับพื้นนี่เวลาร่างกายได้พักผ่อหนหลับนอนพอแล้วพอตื่นขึ้นมาเราก็จะไม่อยากจะนอนต่อเพราะมันไม่สบายมันแข็งพื้นมันแข็งเราก็จะได้ตื่นขึ้นมาลุกขึ้นมาเพื่อจะได้ปฏิบัติธรรมต่อได้สิ่งข้อแปดนี้เป็นเครื่องมือในการที่เราจะได้กําจัดหรือยุติ กิจกรรมทางรูปเสียงกลิ่นลดไปเพื่อที่เราจะได้เอาเวลาที่เราใช้ไปกับการหาความสุขกับรูปเสียงกลิ่นลดนี้มาให้กับการเจริญสตินั่งสมาธิเพราะการที่จะทําใจให้สงบให้เกิดความสุขที่ทําให้จิตใจมีความอิ่มและสามารถหยุดความอยากต่างๆได้นี้ต้องใช้เวลามากต้องใช้เวลาเจริญสติมากตั้งแต่ตื่นจนหลับเราต้องคอยควบคุมใจไม่ให้คิดด้วยเปลือย เพราะคามคิดเรื่อยเปื่อยนี้จะเป็นอุปสรรคต่อการทำใจให้สงบนั่นเองเวลานั่งสมาธิถ้าเราไม่สามารถกำหนดให้ใจอยู่กับลมหายใจได้หรือให้อยู่กับพุทโธได้หรืออยู่กับอาการยง ก, กรรมฐานอย่างอื่นได้ใจมันลอยไปลอยมาคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้ใจก็จะไม่สามารถนิ่งได้ไม่สามารถเข้าสู่ความสงบเมื่อใจไม่สงบใจก็จะไม่พบกับความสุข ที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงคือความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่เราจะได้จากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆสิ่งที่เราต้องการก็คือความสงบและความสุขที่ได้จากความสงบเพราะถ้าเราได้ความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วนี้เราก็จะได้เลิกหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสได้ ตอนนี้เรายังต้องหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรดอยู่เพราะถ้าไม่มีรูปเสียงกลิ่นลดให้เราเสพเราจะรู้สึกเศร้าสร้อยเงีเหงาเราจะรู้สึกไม่ไม่มีความสุขเราก็เลยยังติดกับรูปเสียงกลิ่นลดอยู่แต่ถ้าเรามาฝึกสตินั่งสมาธิทําจิตให้นิ่งให้สงบได้เนี่ยพอจิตสงบแล้วจิตจะเกิดความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากความสงบอาจารย์จากรูปเสียงกลิ่นลดต่างๆมันก็จะทําให้เรานี้เปลี่ยนวิธีหาความสุขได้ เลอกหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นลดได้เมื่อเราเลือกหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นลดได้เราก็ละความอยากได้ละความอยากที่จะมีหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นลดคือการะตัณหาได้ละภาวะตัณหาละวิภาวะตัณหาได้อันนี้แหละคือเป็นสิ่งที่สําคัญเราต้องค้นหาความสุขที่แท้จริงให้เจอความสุขที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยเป็นความสุขที่ไม่ทําให้เราต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิด พร ม, มีความสุขที่มีอยู่ในใจของเราไปกับใจของเราเพื่อเรามีความสุขในตัวเราเราก็ไม่ต้องไปแสวงหาความสุขจากสิ่งต่างๆภายนอ ก, อ, ก, อ, กอีกต่อไปอนี่แหละคือวิธีการที่เราจะทำให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปเราต้องปฏิบัติทานศีลภาวนากันเพราะถ้าเราไม่ปฏิบัติทานศีลภาวนาใจเราจะไม่มีกำลังสู้กับความอยาก ความอยากมันจะคอยดึงให้เราไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสไปหาไปหาลาบยศสารเสริญมาเป็นเครื่องมือในการหาความสุขต่างๆเราก็จะติดอยู่กับการหาสิ่งต่างๆเหล่านี้พอตายไปความอยากที่จะหาความสุขจากลาบยศสารเสริญสุขมันก็ยังมีอยู่ในใจมันก็จะดึงให้ใจเรากลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเราสามารถเปลี่ยนวิธีหาความสุขได้ แทนที่จะหาความสุขจากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสเรามาหาความสุขจากการทําใจให้สงบถูกสตินั่งสมาธิทุกครั้งที่เรารู้สึกว่าเราไม่มีความสุขเราก็เข้าสมาธิไปพอเราเข้าสมาธิแล้วเราก็จะเกิดความสุขเกิดความอิ่มใจขึ้นมาทําให้เราไม่รู้สึกเขีวโหวยกับความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสผลพภะแต่อย่างไดถ้าทําอย่างนี้ได้ต่อไปเราก็ไม่ต้องใช้ร่างกาย เป็นเครื่องมือในการหาความสุขเพราะเรามีความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราใช้ผ่านทางร่างกายหรือความสุขที่หาจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเราสามารถเลิกได้และเราสามารถมีความสุขได้จากการทำใจให้นิ่งให้สงบอันนี้ก็จะทำให้ใจของเรานี้ตัดความอยากต่างๆได้ไปในที่สุดถ้าเรารู้ด้วยปัญญา ว, ว่าความอยากนี้มันจะพาให้เรากลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆ ถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเกิดแก่เจ็บตายเราก็หยุดความอยากเลือกเลือกหาความอยากหาความสุดตามความอยากต่างๆให้หาความสุขจากการไม่มีความอยากจากการหยุดความอยากด้วยการทำใจให้นิ่งให้สงบพอใจนิ่งใจสงบแล้วใจก็จะมีความสุขใจก็จะไม่หิวไม่อยากกลับอะไรต่อไปอันนี้แหละจะทำให้ใจเราไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายต่อไป เพราะว่าเหตุที่พาให้เรามาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายก็คือความอยากต่างๆที่เราสามารถละได้ด้วยการฝึกสติการนั่งสมาธิทำใจให้นิ่งให้สงบทำใจให้มีความสุขพอเรามีความสุขจากความสงบแล้วเราก็เปลี่ยนวิธีหาความความสุขเมื่อก่อนเราหาความสุขผ่านทางร่างกายผ่านทพ่อผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่เดี๋ยวนี้เรามีวิธีใหม่ที่ดีกว่า คือหาความสุขจากการทำใจให้สงบพอเราฝึกไปเรื่อยๆต่อไปเราจะเกิดความชำนาญเราสามารถสั่งใจให้สงบได้ทันทีทันใดทุกครั้งที่เราต้องการเพียงแต่กาหนดใจให้หยุดให้นิ่งไม่ให้คิดอะไรเท่านั้นใจก็สงบใจก็เกิดความสุขขึ้นมาได้ mm hmm. นี่ละเป็นวิธีการที่พระเจ้าและพระหลานตะสาวกทั้งหลายได้ปฏิบัติกัน mm hmm. ได้หยุดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจ ใจของท่านจึงไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปแล้วเมื่อท่านสามารถหยุดความการเวียนว่ายตายเกิดได้แล้วท่านก็เลยเอาความรู้นี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้กับผู้ที่สนใจผู้ที่เบื่อกับการกลับมาเกิดมาแกมาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆพอสั่งสอนวิธีการปฏิบัติให้ทาทานให้รักษาศีลให้ภาวนาให้ปฏิบัติธรรมให้เจริญสมะถะภาวนากืสมาธิให้เจริญปัญญา คือวิปัสสนาภาวนาให้เห็นว่าความอยากนี้เป็นตัวที่พาให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดกันเราต้องละความอยากทุกครั้งที่เราอยากจะหาความสุขจากอะไรก็เปลี่ยนวิธีหาความสุขจากสิ่งต่างๆมาเป็นหาการหาความสุขจากการทําใจให้นิ่งให้เฉยให้สงบเท่านั้นเองแล้วเราก็จะสามารถเอาชนะความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจได้ พอไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ในใจแล้วเราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บปายต่อไปการเกิดก็จะเป็นการเกิดครั้งสุดท้ายของเราถ้าเราสามารถทําใจให้เราหยุดการเกิดได้การเกิดที่มีคุณประโยชน์ก็เกิดแบบนี้มาเกิดเพื่อมาหยุดการเกิดแต่ถ้ามาเกิดเพื่อมาหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นลนนี้มันเป็นการเกิดที่เป็นโทษเพราะว่ามันจะพาให้เราต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆ พราละลาภยศสารสนุกที่เราหาได้นี้มันจะไม่เราไม่สามารถเอาติดไปกับเราได้มันไม่สามารถให้ความอิ่มความพอมันไม่สามารถกําจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้ไม่เหมือนกับความสุขที่ได้จากความสงบเราจะรู้เรื่องความสุขที่เกิดจากความสงบได้ก็จะก็ต้องมาเจอพระพุทธศาสนาเจอพระธรรมคําสอนหรือเจอพระพุทธเจ้าหรือเจอพระอริยสงสาวกที่จะสอนวิธี ที่จะบอกเราให้รู้วิธีการที่เราจะตั้งที่เราจะไม่ต้องกลับมาเกิดเด็กต่อไปก็คือเราต้องปฏิบัติทานศีลภาวนานี่เองถ้าเราอยากที่จะยุติ ก, การเกิดเราก็ต้องพยายามทำบุญทำทาน ต่อสู้กับความอยากทุกครั้งอยากจะเอาเงินไปใช้ตามความอยากซื้อของไม่จำเป็นหรือไปเที่ยวไปกินไปดื่มของฟุ่มเฟือยอะไรต่างๆก็เปลี่ย น, เ ป, นเป็นการเอาไปทำบุญแทนการทำบุญก็จะทำให้เราได้ความสุขดีกว่าความสุขที่ได้จากการไปทำตามความอยากเพราะมันจะลดความอยากในใจเราให้น้อยลงแล้วความอยากที่เคยมาคอยรบกวนใจดึงใจให้เราต้องไปใช้เงินใช้เทามันก็จะ ค่อยๆหมดไปต่อไปเราก็ไม่ต้องมีเงินมีทองก็ได้ไม่ต้องหาเงินหาทองก็ได้เพราะเราไม่มีความอยากที่จะใช้เงินซื้อความสุขต่างๆเพราะเรามีเวลาที่เราจะไปปฏิบัติธรรมไปทำจิตใจให้สงบได้อันนี้คือสิ่งที่เราจะได้รับประโยชนจากการมาเกิดถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้เรียนรู้วิธีของการที่จะยุติการกลับมาเกิดแล้วถ้าเรานามาไปปฏิบัติได้ต่อไป การเกิดของเราก็จะไม่มีต่อไปพพชาติก็หมดไปเมื่อไม่มีการเกิดความทุกข์ที่เกิดจากการเกิดแก่เจ็บตายก็จะไม่มีอีกต่อไปนี่แหละคือสิ่งที่เราจะสามารถได้ประโยชน์จากการที่มาเกิดการมาเกิดที่จะได้ประโยชน์ก็คือการมาเกิดเพื่อหยุดการเกิดอย่ามาเกิดเพื่อต่อมาสร้างการเกิดให้มีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆ เหตุที่พาให้เรามีความการมาเกิดอยู่มากขึ้นไปเรื่อยๆก็คือความอยากนี่ความอยากพออยากได้สิ่ง น, นั้นสิ่ง น, นี้พอตายไปสิ่งที่เราอยากได้มันก็เราเอาไปไม่ได้เราก็ต้องกลับมาเกิดใหม่เพื่อมาหาสิ่งที่เราอยากได้ใหม่แต่ถ้าเรามาหยุดความอยากได้เราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปเพราะว่าเรามีความสุขอยู่กับการไม่มีความอยากได้อยู่อยู่กับการทำใจให้สงบ นี่คือสิ่งที่ทุกคนสามารถกระทําได้ไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นนักบวชหรือเป็นคฆราวาสไม่ไม่ได้สําคัญที่เพศที่สถานภาพว่าต้องเป็นพระเป็นนักบวชถึงจะสามารถปฏิบัติทำได้คนเราทุกคนสามารถปฏิบัติได้เพราะมีจิตใจเหมือนกันอยู่ที่ว่าจะมีเวลาให้กับการปฏิบัติหรือไม่เท่านั้นเองถ้าเรามีเวลาให้กับการปฏิบัติเราก็สามารถที่จะปฏิบัติได้บรรลุทำได้เช่นเดียวกัน นี่ก็คือสิ่งที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านขออนุมโมทนาให้ผ่อนยะทาวารวาหาปุราปาริปุเรนติสาขังเอวเมวะอิโตชินังเปตานาังอุ ป, ปกปติ อิชิตังปะทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉะตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปันะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจฉันตุสัพพโรโควินาศตุมัเตภาวะตวันตราโยสุขีตีคาโยโกภวา อาพิวาทานสีลิสานิจังวุธาปจายโนจตารธมรมวาทานติอายุวันโสุขังภาลางังช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเป็นช่วงที่สะดวกที่สุด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 วันนี้มีผู้ติดตามทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติอภิชาโต368คน YouTube พระสุชาติ Live 344 YouTube Dr.V Channel 68วิธีออนไลน์9 Clubhouse 8ผู้รับฟังธรรมะน่ากุติ225คนรวมทั้งหมด 1,022 ครับถ้ามีคําถามก็ถามได้เลยเจอ คำถามจากผู้รับฟังหน้ากุติสองคำถามครับคำถามแรกการสวดมนต์และการทำสมาธิแบบไหนได้ประโยชน์สูงสุดครับนั่งสมาธิจะสงบมากกว่าการสวดมนต์แต่ถ้ายังนั่งไม่ได้ก็ต้องสวดมนต์ไปก่อนเพราะการสวดมนต์นี้เป็นการเจริญสติสร้างสติให้มีกำลังมากขึ้นเมื่อสติมีกำลังมากขึ้นก็จะสามารถนั่งสมาธิดูลมหายใจเข้าออกได้ แล้วจิตก็จะสงบมากที่สุดนิ่งที่สุดก็คือสมาธิแต่การสวดนี้เป็นการช่วยให้นั่งสมาธิให้ได้เวลานั่งสมาธิแล้วใจฟุ้งซ่านก็สวดไปภายในใจเลยอยู่ในท่าสมาธินี่แหละนั่งหลับตาแล้วก็สวดุนใบภายในใจจะสวดบทไหนก็ได้สวดก็รจะใช้คำบิกรรมพุทโธพุทโธก็ได้อย่างไหนที่ทำให้ใจเราไม่ฟุ้งซ่านเราก็ใช้อย่างนั้นไป พอใจไม่พุ้งแล้วใจเริ่มเห็นสามารถดูลมหายใจเข้าออกได้เราก็หยุดการสวนแล้วก็ดูลมหายใจไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวใจก็จะนิ่งเข้าสู่ความสงบแล้วเกิดความสุขขึ้นนะคําถามที่สองเป็นพ่อแม่ตักเตือนลูกแต่ลูกไม่ยอมฟังมีวิธีการทําอย่างไรบ้างครับก็ส่งไปโรงเรียนดัดสันดานก็ได้เนี สมัยก่อนเขามีโรงเรียนกินนอนสมัยนี้ก็มีวัดก็ได้เนี่ยจบไปบวชนะดัดสันดาลสักสามเดือนหเดือนแต่ถ้าแต่ถ้าเขาไม่ไม่ฟังไม่ยอมทาก็ต้องปงถือว่าเป็นเวรกรรมของเขาคือไม่เอาดีสั่งสอนให้ทำความดีแล้วไม่ทำความดีก็ช่วยไม่ได้อยากจะไปเป็นโจรอยากจะไปติดคุกติดตารางก็เรื่องของเขาไปเราทำหน้าที่ของเราคือสั่งสอนให้ความรู้กับเขาดูแลเขา แต่เมื่อเขาไม่ต้องการที่จะรับคาสั่งสอนก็ปล่อยเขาไปตามตามบุญตามกรรมของเขาไปเราไม่ต้องไปเศร้าโศกเสียใจเพราะเราทำาอะไม่ได้มันเหตุสุดวิสัยเกินกำลังของเราอ่เชิญถามจ้ะ ก, กาพระอาจารย์ค่ะลูกได้นั่งสมาธิเป็นประจำมาค่ะแล้วก็นั่งทีไรก็ลมหายกายไม่มีไม่ไม่มีลมในการหายใจค่ะแล้วก็ยจิตอยู่ที่ฐานสติรู้ตลอดนะคะแต่หูไม่ได้ดับค่ะรู้ว่าข้างนอกมีอยู่ข้างในก็อยู่ข้างในค่ะหนูติดตรงนี้ค่ะมานานมากแล้วค่ะพระอาจารย์จะทํำยังไงให้สามารถที่จะก้าวขึ้นไปได้อีกค่ะคือสติเรามีกําลังเท่านี้ ถ้าเราอยากจะให้มันลงเข้าไปลึกกว่า น, นั้นให้มันแบบหายไปหมดทั้งว่าก็ต้องไปอยู่ที่มันน่ากลัวแล้วเราจะได้เจริญสติได้มากขึ้นไปอยู่ในปา่าไปอยู่ที่มันเงียบๆไม่มีใครมารบกวนสติของเราแล้วพยายามฝึกสติให้มากๆแล้วต่อไปนั่งสมาธิก็มันก็จะเข้าไปได้ลึกขึ้น แล้วก็ถ้ามีอะไรกระทบจิตก็อยู่ตรงฐานกลับมาที่ตรงฐานรู้สักแต่ ว, ว่ารู้อันนี้พอจะขัดเกลอกิเลสได้ได้ถ้ากิเลสบอกให้ไปซื้อของมาเราก็รู้เฉยๆไม่ต้องไปซื้อตามมันค่ะถ้าใช้ปัญญาก็บอกซื้อปะซื้อมาก็เดี๋ยวเดียวก็หมดเดียวก็ทุกข์อีกเดียวก็อยากอีกถ้าถ้าจะตายก็ยอมตายจิตก็อยู่ตรงนั้นให้อยู่เฉยๆได้ก็โอเค ค่ะแล้วเฉยเฉยไม่ไม่มีลักษณะเหมือนอุเบกขาเหมือนจิตกับกายแยกออกจากกันแล้วเรารู้เฉยเฉยแค่นี้เราก็สามารถที่จะไม่ต้องตกอบายแล้วใช่ไหมเจ้าคะอ๋อไม่ตกอยู่แล้วถ้าเรารักษาศีลได้นะเราก็ไม่ตกอบาลอันนี้เป็นการทําให้จิตเข้าสู่นิพพานต่อไปถ้ า, าเราเฉยเฉยได้ค่ะแต่เราต้องเราต้องรอดูเวลาที่จะข้อสอบหนักๆเช่นเวลาหมอบอกเป็นโรคมะเร็ง รักษาไม่ได้แล้วอดูดูซิว่าจิตจะตกไหมหรือจิตจะเฉยเฉยไม่ใช่เรื่องของเราร่างกายเรารเป็นจิตผู้รู้ผู้คิดร่างกายจะเป็นจะตายเราก็ห้ามมันไม่ได้ค่ะเราก็ปล่อยไม่ทุกข์กับมันอย่างนี้ก็แสดงว่าเราเฉยได้หรือเลือกที่จะไม่รักษาก็ไดาา้ได้รักษาก็ได้ไม่รักษาก็ได้ถ้ามันมีผลเท่ากันก็คือตายเหมือนกันไม่ได้สนใจไม่ต้องสนใจไม่ไม่ได้เป็นการฆ่าตัวตายการไม่รักษาร่างกายค่ะ แต่การทำให้มันตายเนี่ยเป็นการฆ่าตัวตายเช่นให้หมอฉีดยาพิษให้เรื่อยๆทำนองนี้แต่ถ้าปล่อยให้มันไปอยู่ตามสภาพของมันเลี้ยงดูมันไปตามปกติกินได้ก็กินกินไ ม, ไ, กไม่ได้ก็ไม่ต้องกินอะไรหายใจได้ก็หายไปหายใจไม่ได้ก็หยุดหายใจเป็นเรื่องของปวดก็รู้ว่าปวดเจ็บใจไม่เดือดร้อนแล้วใจก็มาตั้งอยู่ที่ฐานแล้วมันก็สงบนนารตลอดเวลาโอเคกลับขอบพระคุณค่ะ คำ ถ, ถามต่อไปจากผู้รับฟังหน้ากุฏิครับการเดินจงกรมเราสามารถนําแขนไขว้ไว้ที่หลังได้ไหมครับไม่สมควรเพราะเป็นกิริยาที่ไม่ไม่ไม่สํารวมไม่อ่อนน้อมถ่อมตนกับพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนเจ้าขุนบุญนายเดินนำมือไขว้ไว้ข้างหลังเราเดินจงกรมนี้เรากำลังสแสดงความเคารพ บ, บูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ปฏิบัติบูชา การกิริยาการของการบูชาต้องสำรวมต้องสวยงามเหมือนเราเข้าหาพระพุทธเจ้าโดยตรงอย่างนี้เราก็ต้องมีกิริยาการที่อ่อนน้อมนอบน้อมทำตนไม่ใช่ทําตัวเป็นเจ้านายเดิน <c oughs> เข้าไปหาพระพุทธเจ้าคําถามต่อไปจากคุณตูชอบฟังธรรมะจากพระอาจารย์มากครับ ฝึกนั่งสมาธิทุกวันเริ่มปฏิบัติจริงจังมาก็ประมาณหนึ่งปีกว่าครับนั่งทุกครั้งจะประมาณหนึ่งชั่วโมงเคยตั้งเวลาปลุกแต่จิตคิดถึงแต่เวลาทำให้สงบยากช่วงหลังไม่ตั้งเวลาแล้วแต่ก็จะออกจากสมาธิในหนึ่งชั่วโมงเหมือนกันครับใช้พุโทโธและลมหายใจเข้าออกเวทนาเกิดขึ้นแยกจิตกับกายว่าคนละส่วนกันทาให้นั่งได้สงบมากครับ อันนี้เป็นวิธีที่ถูกต้องหรือไม่ครับถูกต้องถ้าทำใจให้สงบได้ก็ถูกต้องคำถามต่อไปจากคุณตีเราสามารถแก้อาการติดดีต้องทำอย่างไรครับการติดดีไม่ต้องไปแก้หรอกติดชั่วนะฮะที่เราต้องแก้พระพุทธเจ้าสอนให้ละความชั่วให้สร้างความดีงั้นติดดีไม่เป็นปัญหาเไยติดดีมันทำให้เรามีสุข ติดชื่อมันจะทําให้เราทุกข์เอ็นถ้าเราติดดีก็ถ้าทําได้ก็ทําไปเท่านั้นเองถ้าทําไม่ได้ก็หยุดทำอย่าไปทุกข์กับมันสมมติเราอยากจะทําบุญเช่นตอนนี้กรถินเขาแจกซองมาเยอะแยะอยากจะใส่ไปทุกซองแต่เงินเราไม่มีพออย้่เราก็ทําเท่าที่เราทําได้อย่าไปทุกข์กับมันคําถามต่อไปจากคุณปิน่นพยายามควบคุมสติให้ไม่โกรธหรือหงุดหงิดเพราะเป็นคนอารมณ์ร้อน แต่ไม่เคยทันอารมณ์โกรธหรืออารมณ์หงุดหงิดโมโหเลยครับรู้ตัวอีกทีก็โกรธหรือหงุดหงิดไปแล้วครับลูกต้องทําอย่างไรให้สติรู้ทันก่อนที่จะโกรธหรือหงุดหงิดครับออก็ต้องรู้ว่าเหตุของความโกรธเกิดจากอะไรความโกรธก็เกิดจากความต้องการของเราอยากของเราอยากให้เขาพูดดีกับเราอยากให้เขาทําดีกับเราหรืออยากได้นั่นได้นี่พอเราไม่ได้เราก็โกรธขึ้นมา ถ้าเราไม่อยากจะโกรธก็อย่าไปอยากได้อะไรยินดีตามมีตามเกิดเขาจะดีกับเราก็ได้เขาจะร้ายกับเราก็ได้เขาจะให้อะไรเราก็ได้เขาไม่ให้อะไรเราก็ได้ถ้าเราไม่ไปต้องการอะไรจากใครแล้วเราจะไม่โกรธใครที่โกรธเพราะเรายังต้องอยากอะไรต้องการอะไรจากเขาแล้วเราไม่ได้ดังใจอยากตอนนั้นเองนั้นพยายามฝึกนิสัยแบบยินดีตามมีตามเกิดพระเจ้าบอกสันโดษแต่ว่า มาอย่างไรก็ได้ฝนตกก็ได้แดดออกก็ได้ไม่จู้จี้จุกจิกไม่ไม่ต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้ยินดีกับทุกสิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นกับเราทั้งดีทั้งชั่วเราฝึกจิตของเราทําใจให้นิ่งๆเฉยๆไปเท่านั้นเองแล้วเราจะไม่โกรธใครเราจะไม่เสียใจคําถามต่อไปจากคุณเอที่พระอาจารย์บอกว่าใจอยู่ที่ฐานหมายถึงอย่างไรครับอยู่ที่ความสงบไง จิตนิ่งสงบสักด์ตะวรลุความคิดปุงแต่งหยุดไปไม่มีปฏิกิริยาไม่มีความรักชังกลัวหลงเห็นอะไรก็เฉยเฉยไม่รักไม่ยินดีเห็นทองก็เฉยเฉยเห็นเห็นคนด่าเราก็เฉยเฉยไม่รักไม่ชังไม่เสียใจไม่ดีใจจิตมันอิ่มในตัวมันพออยู่ในตัวเรียกว่าอุเบกขาคำถามต่อไปจากคุณสุภาพร ถ้าเราเป็นโรครองช้ำที่ฝ่าเท้าการเดินจงกรมสามารถใส่รองเท้าผ้าที่ใส่เดินในบ้านได้ไหมครับได้ไดการไม่มีข้อห้ามว่าจะต้องใส่รองเท้าหรือถอดรองเท้าสามารถทําได้สิ่งที่สําคัญในการเดินจงกรมก็คือการมีสติเท่านั้นเองขอให้มีสติอยู่ ก, การเดินอย่าปว่าให้ใจเราไปที่ที่อื่นให้อยู่กับอยู่กับร่างกายอยู่กับการเดินจงกรมเพียงอย่างเดียว คำถามจากคุณสุภาพรเวลาเข้าสมาธิคำว่าผ่านทุกขเวทนาเป็นอย่างไรครับก็เวลานั่งแล้วเจ็บปวดตรงนั้นเราก็ไม่ลุกเราก็นั่งต่อไปใช้สติพุทโธพุทโธไปพอจิตไม่ไปอยากให้ความเจ็บหายไปจิตก็นิ่งสงบจิตก็สบายไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับความเจ็บก็เรียกว่าผ่านเวทนาได้อยู่กับทุกขเวทนาได้ ต่อไปเวลาร่างกายเป็นไข้ปวดตรงนั้นปวดตรงนี้ก็ไม่ต้องกินยาก็ได้เพราะเรามีสมาธิเราสามารถใช้สมาธินี้อยู่กับความเจ็บปวดได้เป็นธรรมโอสษฐ์ในตัวถามหมดแล้วครับคําถามหมดแล้วนะเวลาก็ใกล้จะหมดพอดีสําหรับวันนี้ก็ขอให้ท่านจงนําเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจรารณาไปปฏิบัติ เพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเาิด